มิลาลัยรุ่งมานีรุ่งขิมขออัลัย์อัลลอฮฺให้รับน้าเลมีนวะบิห์นัสตัยน์วะลาพละวะลาคุวะต์อิลลาบิลอัลลอฮฺอัลอาลีนอาซิมอัลลอฮฺมุสลิมวะสลิมวะบาริกดี ตัดสิอนอ ธ, ธิบาอันกุรานซึ่งอันกุรานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของมุสลิมเราเป็นอย่างมากซึ่งในกัเบียนกุรานนั้นเป็นสิ่งที่กล่าวถึงครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เรื่องของหลักความเชื่อของมุสลิมในศาสนาที่มีต่อศาสนาที่มีต่อพระเจ้า และก็หลักการปฏิบัติและก็เรื่องราวก็คิดต่างๆของบุคคลในอดีตที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอานซึ่งปัจจุบันนี้มุสลิมเราจำนวนมากที่ได้หันหลังให้กับอันกุรอานไม่ว่าหันหลังให้จากการเรียนอันกุรอานการทำความเข้าใจอันกุรอานซึ่งแน่นอนอเมื่อเรา ไม่ได้รู้ไม่ได้อ่านและก็ไม่ได้เข้าใจในอันควรหันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความขาดตันของของมุสลิมเราเป็นอย่างมากสําหรับซุลรอที่จะมาทําความเข้าใจกับพี่น้องที่ร่วมรับฟังก็ก็คือซุลรออันนับะซึ่งเป็นยุสอัลมาซึ่งซุลรอเหล่านี้ก็หลายคนก็ได้อ่านได้ปานปานหู ได้ฟังซึ่งซุรรในยุสอมานั้นส่วนมากส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องราวที่กล่าวเกี่ยวกับหลักความเชื่อของของมนุษย์เราซึ่งในหลักความเชื่อนั้นแต่เราดูประวัติศาสตร์ของท่านนบีสุลตรอของอัลเลาะห์นั้นท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะเป็นระยะเวลาถึง13ปีเพื่อต้องการที่จะให้ผู้คนนั้น เชื่อในสิ่งที่ท่า น, น้นได้นำมาบอกก็คือเป็นการปลูกฝังหลักความเชื่อนั้นท่านบีต้องใช้เวลาถึง10กว่าปีเลยเราสังเกตได้ว่าในยุสอัลมานั้นจะเป็นสุรสที่กล่าวถึงเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของการเชื่อต่อลอสมุมัทลาการเชื่อในผลตอบแทนความดีความชั่วอะไรต่างๆซึ่งได้ถูกกล่าวไวในยุสอัมาสาหรับ สุร้อนที่จะมากล่าวถึงกับพี่น้องก็คือสุร้ออันนาบะซึ่ง อ, อันนาบะเนี่ยก็ได้เป็นเป็นสุร้อที่บอกถึงความหมายของมันก็คือข่าวข่าวแต่ข่าวที่ชื่อสุรอ้อนี้ก็คือหมายถึงวันเกียรมานั่นเองอันนาบะตัวนี้ก็คือหมายถึงวันเกียรมาซึ่งในสุรอ้อนี้อ่าลอสอุตตะลาก็ได้กล่าวไว้ว่าอุ้มสิบลานัสเชตวนในโรจิ อิ سم الله الرحمن الرحيم. ัมม์ัมม์ัมม์ัมมมัมัมมมัม์ั์์ัมมัมม ควมหมายก็คือพวกเข า, าต่างถามกันถึงเรื่องอะไรและยาเดกลลอกก็ได้ได้นำอายานี่มากล่าวว่าพวกเขานี้นทางต่างถามถึงเรื่องอะไรกันหมายถึงว่ามีมีการสนทนามีการพูดคุยพูดถึงเรื่องราวเรื่องหนึง่งเราก็ได้ยกมาว่าพวกเขาตรงนี้ก็คือบรรดามุชลิมมาค่ะคนที่อยู่ในมักกะหมายถึงว่าเมื่อท่านอับดุมฮัมหมัด สุล ล, ลัลเซลามได้ถูกแต่งทั้งให้เป็นเป็นนบีเป็นรอซูนที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับหลักความเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับการเฟื่องกินชีพเมื่อท่านนบีนำเรื่องราวที่ขัดแย้งกับหลักความเชื่อของพวกเขาก็เกิดการตกเตียงเกิดการสนทนาเกิดการพูดคุยว่าเราก็ได้เล่าเรื่องราวเหล่านี้ว่าอัมมายาตัสะอาลูนะพวกเขาถามถามถึงเรื่องอะไรกัน อายะที่สองก็คืออานินเนบะอิลลอซีมวกเข า, าถามถึงข่าวอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญหมายถึงว่าพวกเขาเนี่ยถามถึงเรื่องของวันเกียรมานั่นเองอเมื่อท่านอับีุลลอฮสลัมเนี่ยได้นำความเชื่อหนึ่งซึ่งเราก็รู้รู้ดีอยู่แล้วว่าในในยกุกก็ได้ยุกใหญ่เียก่อนที่ท่านนบีมูฮัมหมัด สลัดลอกหัวเร็วสลัมจะถูกแต่งตั้งให้เป็นอาบีและก็นาเรื่องราวของอันอิสลามมาบอกกับชาวมากักกะนั้นพวกคนมกักกะเนี่ยเขาได้บูชาชวิรูปปัน้นมีพระเจ้าต่างๆมากมายถึงอ่เป็นร้อยๆโดยที่พวกเขาก็แกะสลักเอาพระเจ้าต่างๆที่พวกเขาสักการ บ, บูชาเนี่ยมาตั้งไวท้ที่อ่ากะบะ ก็มีการบูชาเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดอลลาะฮ์องอัสส ล, ลามเนะี่ยได้นาเรื่องราวหมายถึงว่าความเชื่อที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อหมายถึงท่านนบีมาเรียกร้องว่าให้พวกเขาเนะี่ยสักระบูชารอบเพียงพระองค์เดียวให้เลิกสักระบูชาพระเจ้าที่พวกเขาบูชาอยู่หลายหลายองค์เนะี่ยให้เหลือรอบเพียงพระองค์เดียวเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนะี่ย ถาไม่ละทิ้งการสัรั บ, บูชาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนพวกเขาจะตายไปก็จะถูกให้ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็ถูกลงโทษจะเพราะสุบฮานเอาแต่ละเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแปลกใหม่ของที่ท่านอบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุซุลเลาะห์เนี่ยได้นํามาก็ทําให้คนเหล่านี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเรื่องราวที่ท่านอบีนํามาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพวกเขาตายไปจะ ถูกตอบแทนจะถูกไอ้ฟื้นคืนชีพหรือเปล่าเมื่อตกเถียงกันสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธตรงนี้ไม่เชื่อในในวันฟื้นคืนชีพที่ท่านบอับดุลลอฮฺสลัดได้นํามาบอกซึ่งแน่นอนเมื่อข่าวคราวเหล่านี้ก็เกิดความสงสัยบางคนว่าบางคนก็เชื่อจะเชื่อบางคนก็เกิดสงสัยบางคนบอกว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า หรือบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสิ่งที่ท่านบีได้นามาบอกเนี่ยพวกเขาไม่ขัดทุนดอกหรือที่ปฏิเสธท่านบีมฮัมหมัดลลอัลอฮวสซัลลัมระยะต่อมาเราก็ได้กล่าวว่าอัลลีฮุมฟีฮิมุคติฟูลวอเรื่องราวเกี่ยวกับฟืน้นึน้นชีพที่ท่านบีมฮัมหมัดรรมสลลอัลฮวสซัลลัมเนี่ยได้นามาบอกกับพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ เกิดความสงสัยครลางแแปลงก็อัลลดีฮุนฟีมุกดาีฟูนหมายถึงว่าซึ่งพวกเขาเนี่ยได้มีความขัดแยง้งได้มีมีการตกเถียงกันในเรื่องนี้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนหรือเปล่าในการที่ปฏิเสธเรื่องนี้บทสรุปก็คือสุดท้ายแล้วเมื่อเกิดการตกเถียงเห็นพวกเขาก็ไม่เชื่อในวันฟื้นกืนชีพที่ท่านอับดุมฮัมมัด ซาลลัลซัลลัมได้นำมาบอกต่อมาเราก็ได้ขู่สัมทัพพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาไม่เชื่อเนี่ยอัลลอฮฺทรงเะ้าก็ได้กล่าวว่ากัลลัษยาละมูนหมายถึงว่าแน่นอนหมายถึงว่าเป็นการย้ำว่าแล้วพวกเขาเนี่ยจะได้รู้เป็นการขู่ ส, สัมทัพจากอัลลอฮาเมื่อพวกเขาไม่เชื่อในวันฟื้นคืนชีพ สิ่งที่พวกเขาปฏิเสธเนี่ยเราบอกพวกเขาจะได้รู้พวกเขาจะได้พบเจอกับสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธซุ่มมาเกลล่เสียญ ล, ละมูลไปหลังจากนั้นพวกเขาก็าจะได้รู้อันนี้ก็คือเป็นการเน้นย้ำในสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาปฏิเสธเนี่ยเขาจะต้องพบเจออย่างแน่นอนซึ่งถ้าเราดูใน hadis ของท่านนบีซอลลัลลอฮุวะสัลลัมเนี่ย มีสํานวนเยอะมากที่ท่านอบีได้กล่าวว่ามันคือาอายุมินูบินละยุวันเยมินอาคิดท่านอบียบอกว่าใครที่ได้อิหมานได้สัตตาตะลอดและวันสุดท้ายซึ่งเราสังเกตดูเวลาท่านอบี๋กล่าวว่าเชื่อสัตตาตอลอดต้องพ่วงด้วยกับสัตตาตะวันสุดายซึ่งแน่นอนการเชื่อตอะวันสุดท้ายนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายกับคนโดยเฉพาะในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยที่มี การค้นควา้าเทคโนโลยีความแั่งสมัยเหล่านี้เนี่ยความเจริญเหล่านี้เนี่ยกลับกลายแทนที่ว่าคนเนี่ยเมื่อพบเจอในสิ่งที่เป็นความเจริญเนี่ยแทนที่จะได้อิมานได้ศรัทธากับหรอได้เอาความเจริญที่มีอยู่เนี่ยโยงใยไปกับความสามารถก่อนหรมนุษย์นีได้มีความรู้สึกเฉลิมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆครับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของพวกเขา แต่ว่าเขาลืมที่จะตั้งคําถามว่าสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความสามารถของมนุษย์ที่มันมันอะไรก็ได้มันเยอะแล้วก็มันพัฒนาอยู่ตลอดเนี่ยเราน่าจะยิ่งเชื่อและก็ยิ่งศรัทธาครับอัลลอฮฺสุลจาราให้มากขึ้นแต่มันตรงกันข้ามปัจจุบันก็คือเมื่อคนเรามีความเจริญเนี่ยความเจริญเหล่านี้เนี่ยทาให้เขายิ่งห่างไกลจาก อัลลอฮฺสุบฮฺฮานอาราซึ่งแตกต่างกับคนในยุคอดีตยุคของอท่านอับดุลบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺสะลาห์เนี่ยเมื่อเขาเกิดค้นคว้าเกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆความเจริญหรือความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆเนี่ยที่พวกเขาค้นพบเนี่ยก็ยิ่งนำไปให้พวกเขาเนี่ยยิ่งอิมานกับอัลลอฮฺสุบฮฺฮานอารามากขึ้นยิ่งทาให้เขาเชื่อมัน่น ยากรึตต่อพระเจ้ามากขึ้นซึ่งต่างกับปัจจุบันที่ความเจริญเนี่ยยิ่งทําให้มนุษย์เนี่ยเสื่อมถอยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและก็ในเรื่องของการเชื่อต่อพระเจ้าเนี่ยทำให้น้อยลงซึ่งแน่นอนการเชื่อต่อวันสุดท้ายเนี่ยกับคนน่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแม้กระทั่งมุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้เวลาในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ย หมดไปกับเรื่องของโลกดุญญนยาจึกระตั้งลืมที่จะลืมที่จะอะไรลืมที่จะคิดถึงโลกหน้าว่ า, าในภาวะปัจจุบันในสังคมปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์สัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆที่มันชี้ถึงอะไรก็ได้ว่าเครื่องหมายของวันศิ้โลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ที่มนุษย์จะ เอสิ่งที่เกิดขึ้นใ น, ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เป็นอารามัตุชาที่เป็นเครื่องหมายของวันสิ้นโลกเนี่ยมาคบคิดแล้วก็มาคิดถึงอนาคตของเรามาคิดถึงว่าเออโลกใบนี้เนะี่ยมีสัญญาณบ่งบอกว่ามันคงจะอยู่ไม่นานแล้วแทนที่เราจะคิดตรวนี้ก็ทําสิ่งความเจริญเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้คนหันหลังให้กับศาสนาและยิ่งทําให้คนนั้น เชื่อต่อโลกหน้าน้อยขึ้นซึ่งอัลอบอกว่าเมื่อเขาปฏิเสธเมื่อมุชดิกปฏิเสธแน่นอนเขาจะได้พบกับสิ่งที่เขาปฏิเสธในวันเกียรมาซึ่งเมื่อพวกคนปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ปฏิเสธต่อวันสตาเนี่ยถูกเรียกให้เข้าสู่นรกก็จะมีเสียงบอกว่านี่คือนรกที่พวกท่านเนี่ยได้เคยปฏิเสธมาต่อมาเมื่อ อัลลอฮ์ได้บอกให้สักตาให้เชื่อมั่นต่อพระองค์และเชื่อมั่นต่อวันสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ก็พยายามที่จะเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์เนี่ยให้ขบคิดไครกลวนกับเนื้มัดหรือความปลดปลันของพระองค์เนี่ยที่ให้กับพวกเขาอย่างมากมายให้เขาได้คิดว่าการที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยที่มีความสะดวกสบายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยเป็นความปลดปลานที่ ลให้มาแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาด้วยกับตัวเองได้หรือไม่อายะต่อมาเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้คนเหล่านี้มีความตำกันใค้ ค, ครวนกับความปลุกปลานที่เร้อได้ให้ในที่ปลงดรกล่า ว, ว่าอัลลัมนะจัลินอารดอมิเดาเรามีได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นที่ได้เป็นพื้นที่ราบดอกถือ เราก็ได้เรียกร้องให้ให้คิดให้ไกรกลอนว่าเรางได้กล่าวว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําให้พื้นดินนี้ราบเรียบดอกเลยก็คือให้มนุษย์พิจารณาถึงความราบของแผ่นดินแผ่นพื้นดินที่ราบเนี่ยประโยชน์มันมีอะไรบ้างพื้นดินที่ราบเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะทําการเพราะปลูกสามารถที่จะสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยสามารถที่จะตัดถนนหนทาง เพื่อใช้เป็นการสื่อสารกับมนุษย์มที่สะดวกสบายเราก็คิดว่าพื้นดินที่ราบเรียบที่เราองได้ทําให้เนี่ยยังประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมายซึ่งเมื่อมนุษย์ไปดูพื้นดินที่ไม่ราบเรียบที่เป็นหุบเขาที่เป็นหุบเหวที่ที่ลุ่มลุ่มตอนตเนี่ยก็จะเห็นว่าการทําประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการปลูกปุ๋กก็ลําบากไม่ว่าจะการสร้างบ้านก็ลําบากตัดถนนลูนทางก็เป็นสิ่งที่ลําบากแล้วก็พยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยคิด ถึงเนี่ยหมัดด้วยความปลดปลานทิปลงในให้ก็คือการที่ประองค์ให้พื้นดินเนี่ยราเรียบจะมาเราก็ได้กล่าวถึงพื้นดินแล้วก็พระองค์ก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่มาทําให้พื้นดินเนี่ยมีความมั่นคงมีความกระชับได้พระองค์ได้กล่าวว่าวันชิบาลเอาท่าดาได้พระองค์ได้ทําให้เทือกเขาเนี่ยเป็นหลักถึงไว้ดอกหรือได้พระองค์เนี่ยไม่ได้ทําให้เทือกเขาเป็น หลักตึงไว้ดอกเรือหมายถึงว่าเป็นตะปูเป็นสิ่งที่มามาตึงผื้นดินเนี่ยให้มีความมั่นคงซึ่งจากตรงนี้เราก็ทําให้เราได้รู้ถึงประโยชน์ของปูขป่าวตะเมออัล้อถึงสร้างปูข่ามาเมื่อเราสร้างผืนดินได้ราบเรียบอันล้อก็ให้ปูข่าเนี่ยเตรียบเรียบเสมือนหมุดที่มาปักที่มาจะไม่แผ่นดินเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคง ซึ่งอายะตัวนี้ทำให้เราได้รู้ว่าประโยชน์ของภูเขาเนี่ยที่เราให้มาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้แผ่นดินเนี่ยมีความมั่นคงมีความแข็งแรงซึ่งเราจะสังเกตได้ในประเทศที่มีภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟระเบิดเนี่ยสิ่งที่จะทำมาก็คือเกิดแผ่นดินไหวและก็ประเทศที่มีอุตสาหกรรมเนี่ยที่ชอบระเบิดภูเขา ชอบทำลายภูเขาเนี่ยผลผลกระทบของมันเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะเกิดแผ่นดินไหวซึ่งจากประโยชน์ตรงนี้ก็คืออัลลอด์ได้ให้มนุษย์คิดว่าภูเขาที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้แผ่นดินมีความมั่นคงและก็บนภูเขาเนี่ยก็มีอ่ริสกีมีปัจจัยยังชีพมีพืชปักต้นไม้ที่มีทานน้ำลำธารต่างต่า ง, างที่ก็เกิดประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมายจากภูเขา เราสร้างน่องเหนือจากการถึงพื้นดินไว้ซึ่งตัวนี้ก็อเล็กก็พยายามเรียกร้องให้มนุษย์วิเคราะห์แล้วก็คิดพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวต่อมาเราได้กล่าวว่าวอคาร์ล์เน่กลุ่มอสวุวะยะและเราได้สร้างให้เป็นคู่สําหรับพวกเจ้าก็คืออัเล็กได้สร้างให้มีเพศหญิงให้มีเพศชายแล้วก็ ซึ่งเพศหญิงเพศชายเนี่ยที่มาจากประเพณีเดียวกันก็คือมาจากมนุษย์แล้วก็ให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลกูกมีหลานแล้วก็ในมนุษย์ได้คิดได้ใก่กลววในสิ่งต่างๆาเหล่า น, นี้ต่อมาเราได้กล่าวว่าวจัญญนาณุมะกุมสุบาตะและเราได้ทำให้การนอนของพูกเจ้านั้นเป็นการพักผ่อนซึ่งในอายะต่อมาเราก็ได้คิดว่า อ่เราได้พูดถึงการนอนเราได้ให้มนุษย์เราเนี่ยคือในการใช้ชีวิตเนี่ยวรได้คืนมนุษย์เนี่ยมีร่างกายที่ต้องทำงานที่ออกแรงแรงสมองแรงกายแล้วก็เกิดการอ่อนเพลียแต่เราก็มาบอกว่าพระองค์เนี่ยได้ให้การนอนเนี่ยมาเป็นการพักผ่อนมาเป็นการบรรเทามาเป็นการผ่อนคลายทาให้อ่าเมื่อคนเรานอนหลับ สังเกตดูเราทํางานหนักแล้วก็อ่อนเพลียแล้วก็เมื่อได้หลับเนี่ยจะทําให้คนมีร่างกายที่ความกระเับกระเชงก็กลับมาแล้วก็บอกอาการนอนนี่ก็เป็นเนื้อหมัดเป็นความปรบลานอย่างหนึ่งที่ที่พระองค์ให้กับมนุษย์เราซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคนเราเนี่ยถ้านอนไม่หลับเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายทุกส่วนเนี่ยเกิดเกิดก็เรียกว่ า, าเกิดผลกระทบ สมองสายตาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเมื่อคนเรานอนไม่ไม่ไม่เต็มที่เนี่ยก็เกิดผลกระทบเลยแ ล, แล้วบอกว่าการนอนเนี่ยก็คือพระองค์ได้ให้มีมาเพื่อเป็นการพักผ่อนซึ่งการนอนเนี่ยได้ไเราไปดูในการค้นคว้าสมัยใหม่เนี่ยคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยคนที่ไม่นอนเนี่ยจะทำให้ชีวิตนั้นสั้นลง ก็คือเราก็บอกว่าให้คนเราเนี่ยนอนพักผ่อนและก็การนอนเนี่ยถือเป็นเนื้อหมัดและก็เข้าใจได้อย่างคือถ้าใครไม่นอนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเป็นอะไรก็เป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเหมือนกับการลงโทษอย่างหนึ่งคนที่นอนไม่หลับก็ได้อาจจะทําให้ความทุกขเกิดขึ้นกับตัวของคนคนนั้นและแปลงได้กล่าวว่าว่าจะอันนั่นเลยเลยดีบาสาและเราได้ทําให้กลางคืนคล้ายกับเครื่องปุดปิดร่างกาย แล้วก็บอก ว, ว่ากลางคืนเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับเสื้อผ้าที่มาสมใส่ก็คือความมืดได้มาสมใส่ความสว่างของกลางวันแล้วก็เปรียบเทียบว่ากลางคืนเมื่อมันกลุ่มเหมือนกับมันมาปิดบังแสงสว่างของกลางวันวายันนนารมาอาชาและพระองค์ได้ทําให้กลางวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ได้สวยงามปัจจัยยังชีพซึ่งตรงนี้ก็ เราก็ได้บอกวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราว่าพระองค์ได้ให้กลางคืนเป็นการบักผ่อนกลางวันเป็นการสไยงาปัจเจนอย่างชีพซึ่งเราดูจากอพระตัวนี้เราได้เรียกร้องคนเราให้พิเคราะห์ได้วิจารณาในเนืยอหมัหรือความปรารถนาที่พระองค์ได้ให้และก็พระองค์ก็ได้บอกวิธี ท, ธทางแนวทางในการใช้ชีวิตด้วยว่า าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเขาเรียกว่ากับระบบที่พระเจ้าได้สร้างมาให้สอดคล้องกับชีวิตมนุษย์ก็คือกลางคืนเนี่ยเราต้องใช้เป็นเวลาพักผ่อนส่วนทลางวันเนี่ยเราก็ใช้เป็นเวลาที่สเสวนาปัจจัยยังชีพซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อหมัดหรือเป็นความโปรดปรานของเรา س ب ح ุบ ه านะเจริญที่ให้กับมนุษย์เราเป็นอย่างมากฉะนั้นในสุรอนนบอ Allah ได กล่าวถึงวันฟื้นคืนชีพแล้วก็ได้เรียกร้องอบรรดามุสลิมมุกกะบรรดาผู้ที่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านสลุลต์เนี่ยได้มาเชิญชวนให้เขาได้อิหมานได้สัตตาต่อวันสุดท้ายแล้วก็พวกเขาก็เกิดการขัดแย้งกันแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อิหมาครับการฟื้นคืนชีพแต่เราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ มนุษย์เนี่ยได้พิจารณาถึงสรรพสิ่งที่อยู่รอบล้างตัวของพวกเขาเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนมากที่เติบโตมาด้วยกับวิชาการสมัยใหม่ที่มีการเรียนการศึกษาคนคว้าต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถิติของคนที่ไม่มีศาสนานี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่าในยุโรปหรือในบ้านเราเองก็เริ่มมีสถิติเช่นเดียวกันเราเนี่ยที่มีลูกหลานเป็นมุสลิม ที่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปลูกพื้นฐานในลูกหลานของเราเนี่ยได้รู้จักศาสนาได้เรียนรู้ได้เข้าใจในหลักฐานของอิสลามของเราเนี่ย mm. ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าลูกหลานของเราในยุคหลังๆเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ที่อะไรที่ไม่มีศาสนามองว่าการใช้ชีวิตความเจริญวัตถุนิยมที่มีนะคือเป็นศาสนาเป็นวิถีชีวิตของ ของเขาและก็การใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันก็จะจบสิ้นไปด้วยกับการเสียชีวิตลงซึ่งมันกัดแย้งกับอันอิสลามซึ่งอิสลามเนี่ยถือว่าการมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกา ร, ป, รปลูกที่เรามาสร้างสมความดีเราเชื่อต่อรัศมีจาราาและก็เราทําความดีก่อนที่เราจะจบชีวิตจากโลกนี้ไปฉะนั้นการ ป, รปลูกฝังหลักความเชื่อหรือหลักอกติได้ที่มีต่อพระเจ้า จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจโดยเฉพาะในยุสอามาเนี่ยเป็นยุสที่กล่าวถึงเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องการฟืน้นคืนชีพเรื่องอาชาวชาวสวรรค์ชาวนร ก, นรกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนะี่ยถ้าเราเรียนรู้ทําความเข้าใจก็จะเป็นสิ่งที่มาเพิ่มปูนในหลักความเชื่อของเราให้มีความมั่นคงมากขึ้นสําหรับวันนี้ก็คงจะปบปับ ทำความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้อินชาลอสในวัน ต, ต่อไปเราก็จะนำเสนอในอายะต่อไปที่ลอดสมัชชาได้กล่าวไว้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อในยุสัมมาวบิลลเตอฟิกวันนี้เดยาวัสดลมอเลกุมอร์มุตุลลาโยบาร์กา